2. ภพิกุณีวิพังโสรสะมหาวาระตอนสอง 1. กัถะปัญญัติวาระวาระว่าด้วยบัญญัติณที่ไหน 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาราชิกกันสองรอเอด พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่หแก่ภิกษุณีทั้งหลายณนะที่ไหนทรงปรารบใครเพราะเรื่องอะไรในปาราชิกสิกขาบทที่หนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปนณะบัญญัติสัพพะธบัญญัติ ประเทศบัญญัติสาธารณะบัญญัติสาธารณะบัญญัติเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือบรรดาปาติโมขุเทศสี่อุทเทศปาราชิกสิกขาบทที่หจัดเข้าในอุทเทศไหนนับเนื่องในอุทเทศไหนมาสู่อุทเทศโดยอุทเทศไหนบรรดาวิบัตสีอย่าง เป็นวิบัติอย่างไหนบรรดากองอาบัติเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัติไหนบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่บรรดาอาธิกรสีอย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ในปาราชิกสิกขาบทที่ห้านั้น อะไรเป็นพระวินัยอะไรเป็นอภิวินัยอะไรเป็นพระปาติโมกอะไรเป็นอธิปาติโมกอะไรเป็นวิบัติอะไรเป็นสมบัติอะไรเป็นข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ห้าแก่ภิกษุณีทั้งหลายทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไหร่ ใครศึกษาอยู่ใครศึกษาสิกขาเรียบร้อยแล้วสิกขาบทนี้ตั้งอยู่ในใครใครทร่งเอาไว้เป็นถ้อยคำของใครใครนำมา